ต่อไปนี้ขอให้ทุกๆคนพากันตั้งใจที่จะทำความสงบในทางจิตใจกันต่อไปในเบื้องต้นนี้อัตมาจะได้นำขอให้ทุกคนว่าตาม <c oughs> ข้าพเจ้ า, า, จาและลึกถึง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 พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดตะมมดขาขวาทับขาซ้าย มือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจการนึกพุโทโธนั้นโดยจุดมุ่งหมายต้องการที่จะให้จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งได้มากเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทาให้เกิดเป็นสมาธิได้มากเท่านั้น จิตเป็นสมาธิได้มากเท่าไรก็สามารถทำให้เกิดพลังจิตมากเท่านั้นการนั่งสมาธิโดยจุดมุ่งหมายต้องการพลังจิตพลังจิตนั่นคือวาสนาคือบารมีที่จะได้เพิ่มภูนให้มากยิ่งขึ้นการอบรม สมาธิไม่ว่าจะมากน้อยเท่าไรสมาธินั้นจะเข้าไปสะสมอยู่ในจิตสะสมตลอดไปไม่มีเวลาเสือ่อมสูญเมื่อบุคคลได้มาเริ่มต้นของสมาธิแล้วย่อมจะต้องมีบ่นปลายคือความาสุด คือความเสร็จสิ้นความจบหมายความว่าเมื่อมีการเริ่มต้นก็ต้องมีเวลาสิสส้นสุดการสิ้นสุดนั้นคือการหมดกิเลสการเริ่มต้นนั้นคือการนำหนทางหาหนทางการที่เราจะหาหนทางได้นั้นก็แสนยาก แสนยากที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้มานั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นพระผู้ที่จะมาทำสมาธินั้นจำเป็นที่จะต้องมีหลายๆอย่างที่พร้อมแล้วร่างกายและจิตใจและศรัทธาและสถานที่และครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำ เพราะว่าการทำสมาธิจำเป็นต้องมีผู้แนะนำการทำสมาธิต้องมีศรัทธาการทำสมาธิต้องมีกายใจที่สมบูรณ์ทุกประการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วทุกคนจึงได้มาพร้อมกันนั่งสมาธิถือว่า เราได้เป็นผู้เริ่มเรียกว่าถึงจุดเริ่มตน้นการเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความสามารถความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเรานี้มีเท่าไหร่เราจะต้องใช้ความสามารถนั้นในการดำเนินสมาธิความสามารถในทินนี้ ก็คือความอดทนเรียกว่าขันติคือความอดทนความอดทนนั้นเป็นเครื่องแผดเผากิเลสได้ความอดทนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายนักเพราะการทำสมาธิจะต้องทำความสงบหมดทุกส่วนร่างกายและจิตใจ ร่างกายนั้นมันชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะเอามาอยู่นิ่งๆหรือมานั่งอยู่เฉยๆความเจ็บปวดหรือความเมื่อยครบต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นความเมื่อยเหลา่านี้ถ้าหากว่าเราจะทนด้วยความจำเป็นนั้น มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทนแต่ว่าเมื่อไม่ค่อยจะจำเป็นนักเราก็ไม่ค่อยจะอดทนเมื่อเราสมาธินั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาก็เลิกไม่กระทำต่อไป นั่นคือความอดทนได้ขาดสบั้นลงไปแล้วเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงต้องกำหนดเวลาเราจะกำหนดเวลาสักเท่าไหร่เมื่อยังไม่ทันถึงกำหนดเวลาเราก็ไม่เลิกนี่เป็นการฝึกจึงเรียกว่าฝึกหัดการฝึกหัดนั่น เช่นผู้ที่ไปเรียนหนังสือเด็กๆมีครูมีอาจารย์คอยบังคับบังคับให้จับปากกาดินสอบังคับให้ขีดเขียนบังคับให้อยู่ในชั่วโมงยังไม่ได้ชั่วโมงก็เลิกไม่ได้ต้องมีชั่วโมงเลิกมีชั่วโมงเข้าทั้งนี้เพื่อที่จะบังคับให้มีความสำเร็จขึ้นมาอันหนึ่ง คือการรู้หนังสือชั้นใดก็ดีการทำสมาธิของพวกเราก็เหมือนกันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเข้าแล้วก็ต้องมีการออกการเข้าและการออกนั้นก็คือกาหนดการและกาหนดเวลาเมื่อกาหนดการกาหนดเวลาเราทำได้ ผลสาเร็จก็ต้องเกิดขึ้นได้ความเยือกเย็นสบายในจิตใจนั่นคือผลสาเร็จประการนั้นถ้าผู้บําเพ็ญยังมองไม่เห็นความดีภายในจิตนั่นก็ยังไม่ปรากฏหรือว่าสมาธิยังไม่เกิดเมื่อสมาธิเกิดก็จะต้องปรากฏความสุขความสบาย ความสุขความสบายที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นความสุขสบายที่ไม่เหมือนกันกันกบความสุขสบายทางโลกความสุขสบายทางโลกีนั้นเป็นความสุขสบายชั่วขณะและเป็นความสุขสบายที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความทุกข์ตามเข้ามา ส่วนความสุขความสบายที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นความสุขสบายโดยถ่ายเดียวไม่มีความทุกข์ที่จะกลับคืนเข้ามาอีกแต่ว่าความสุขสบายที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นเป็นความสุขสบายที่ปราศจากอารมณ์ความสุขสบายที่ปราศจากอารมณ์ที่ เราพากันนึกพากันคิดต่างๆนานานั้นเรียกว่าอารมณ์เราไม่ได้คิดนึกไปทางอื่นเราก็อยู่แต่พุโทโธอย่างเดียวใจของเรามันก็เกิดความนิ่งใจอันนี้เมื่อเกิดความนิ่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความดีเรียกว่าขนจากความนิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมีอะไรบ้าง เหมือน ก, นกันกับผลที่เด็กๆพากันเขียนหนังสือในที่สุดเด็กเหล่านั้นก็อ่านออกเขียนได้นั่นคือผลสำเร็จสมาธิที่เรากำหนดการกำหนดเวลาและเรากระทาไปนั้นก็จะเกิดมีความรู้สึกอันหนึ่งที่มีอยู่ภายในจิตนั้นคือการขาวสะอาดหรือเรียกว่า ความวิเวกหรือเรียกว่าความละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความละเอียดอ่อนที่นุ่มวนวลที่สุดเราจะไปหาที่อื่นหรือจะหาสิ่งที่เกิดความละเอียดอ่อนเหมือน ก, นกันกับสมาธินะที่ไหนเราก็หาไม่ได้ เพราะฉะนั้นสมาธิในเบื้องต้นนี้จึงมีความจำเป็นอย่างหนึ่งคือความอดทนเราก็อดไปเรื่อยอดทนทาไปหรือเรียกว่าต่อจากความอดทนก็คือความภาคเพียรความภาคเพียร น, นั้นหมายถึงการทาเป็นการติดต่อการติดต่อจากวันสู่วันจากเดือนสู่เดือนจากปีสู่ปี นี่เรียกว่าการติดต่อการติดต่อที่กระทำไปแนจะเป็นเวลาอันเล็กน้อยแต่เมื่อติดต่อไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นของใหญ่บางคนสมาธิสถทีหนึ่งเลิกไปเป็นปีกว่าจะมาสมาธิอีกอย่างนี้เรียกว่าไม่ติดต่อถึงแม้ว่าจะนั่งนานๆนนก็ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ ส่วนผู้ที่ทำไปไม่ได้งานเท่าไหร่แต่เพียงห้าสิบห้านาทีสิบนาทีขึ้นแต่ก็ทำไปอยู่เรียกว่าต่อเนื่องไปนั่นอันนั้นผลบังเกิดขึ้นมากกว่าผู้ที่นั่งสมาธิแล้วมีความสนใจในสมาธิของตนพยายามศึกษาพยายามกระทำไป ก็จะเกิดสมาธิให้แก่ผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยสมาธิเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนั้นในการที่จะรักษาสมาธินั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญบางคนทําไปแล้วก็ทิ้งทําไปแล้วก็ทิ้งไม่ได้รักษาไว้มันก็เหมือนกันกับว่ามีของดีแล้วก็ไม่เก็บรักษา การรักษาที่จะให้สมาธิคงที่และคงเส้นคงวาอยู่ได้ก็คือการทำเป็นการต่อเนื่องดังกล่าวแล้วถ้าการต่อเนื่องนั้นเป็นวิยะคือความภาพเพียนเพื่อที่จะให้เกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นเมื่อสมาธิได้เกิดขึ้น และได้กระทําเราก็พร้อมและดำเนินเรื่อยมาส่งบางคนบางท่านก็อาจจะดำเนินมาแล้วปีหนึ่งสองปีบางคนก็อาจจะดำเนินมาแล้วห้าปีสิบปีอะไรอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ได้ดำเนินมาแล้ว การดำเนินมาเป็นระยะเวลาหลายๆปีมาแล้วนั่นบุคคลผู้นั้นย่อมจะต้องมองเห็นสันทิทธทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองเห็นเองก็คือเห็นอยู่ที่ในสมาธิที่เราได้รับเราไม่สามารถที่จะนำเอาข้อความที่เป็นสมาธินี้ออกไปบอกใครๆได้ แต่ว่าเราก็เห็นคือไม่สามารถจะไปพูดแต่ว่าความจริงมันมีอยู่มีอยู่ในใจอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าสมาธิที่เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ที่ควาเพ็ญสมาธิผ่านมานานแล้วนั้นก็ขอให้ท่านผู้นั้นจงดำเนินต่อไป การดำเนินต่อไปนั้นเช่นองสมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญมาถึงสี่อสงไัยแสนกับก็เป็นระยะเวลานานมากกว่าที่พระองค์จะพร้อมหรือกว่าที่พระองค์จะดำเนินให้เป็นการพอเพียงใช้เวลานานเราเองนั้นเราจะไปคิดเอาชั่ว ขณะชั่วประเดี๋ยวชั่วไม่กี่วันกี่เวลาให้สำเร็จขึ้นมานั้นย่อมไม่ได้ด้วยเหตุนี้การที่บุคคลผู้ที่ทำสมาธิจึงได้เป็นผู้ที่มีความเย็นใจหรือเรียกว่าใจเย็นฉันก็ทำของฉันเรื่อยไปก็เรียกว่าใจเย็นพอ ถึงจะยังไงถึงจะยังไงก็ทําเรื่อยไปนี่เรียกว่าใจเย็นพอผู้ที่ทำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นบางทีก็มาคิดว่าเอ๊ะทาไมเดี๋ยวนี้มันถึงไม่สบายเหมือนแต่ก่อนให้แต่ก่อนน่ะทําทำไมมันถึงสบายจริงๆนะเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนแท้ที่จริงนั้น การที่เราทำมานานผลมันได้เกิดขึ้นมาแล้วการที่เราเกิดความสุขความสบายนั่นมันเป็นเรื่องของเบื้องตน้นเหมือนกันกับคนที่ไม่เคยได้เงินล้านแต่ไปได้เข่ามันก็ตื่นเต้นแล้วก็เอิ้อิ่มตื่นเต้นแต่พอเวลามันได้มามากขึ้นกว่ า, าล้านสิบล้านยี่สิบล้าน ทีนี้ก็เฉยๆฉันใดก็ฉันนั้นส ม, มาธิที่เราทํามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั้นเราก็าได้มามากแล้วเยอะกว่าได้เกา่าได้สิบได้ร้อยได้พันได้หมื่นมาแล้วมากมายมาแล้วมันถึงทําให้จิตของเราเฉยๆไม่ตื่นเต้นเหมือนกันกันกบเราเคยได้รับแต่ครั้งแรก เพราะฉะนั้นจึงอย่าไปกังวลใจที่ว่าเราทำสมาธิแล้วก็อาจจะไม่เกิดถึงจะยังไงก็ตามสมาธิที่เราทำนั้นมันก็เกิดขึ้นทุกครั้งเรานั่งไปนี่คิดห่เอ๊ะวันนี้ทำไมมันทุ้งซ่านนะักไม่ไหวเลย แท้ที่จริงผู้ที่ไปรู้ความกุ้งซ่านนั่นคือสติสติก็คือสมาธิในอันดับต่อมาถึงแม้ว่าจิตนั่นจะต้องไปนึกไปคิดอะไรต่างๆนั้นมันก็นึกคิดด้วยสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิอยู่แล้วผู้ที่มีความเข้าใจว่าเอ๊ะทาไมมันจึงไม่เป็นสมาธินั้น เข้าใจผิดเป็นสมาธิทุกครั้งที่ท่านได้ทำลงไปอาจจะเถียงว่าที่ทำลงไปมันก็ไม่สงบแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรความสงบหรือไม่สงบไม่ได้หมายเอาถึงความนึกคิดเมื่อมีความนึกคิดแล้วจะเป็นพูดที่ไม่มีเมาธิก็ย่อมไม่ได้ แต่ว่าความนึกคิดที่มีในสมาธินั้นเป็นความนึกคิดที่เรารู้ตัวรู้อยู่เช่นนึกอะไรทำอะไรนึกอย่างไหนนึกเรื่องอะไรในสมาธิเรารู้เพราะฉะนั้นจิตก็เป็นสมาธิอยู่นั่นเองคนรับประทานอาหารต่างๆนั้น รสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งไปวันนี้เรากินเราทานแกงเรียงวันนี้เราทานแกงส้มวันนี้เราทานยำวันนี้เราทำโจก๊กวันนี้เราทานต้มยำเราทานผัดทานพวกอะไรก็ว่าไปรสมันก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันนั่นแหละ บางครั้งมันก็รถนี้บางครั้งมันก็รถนั้นยิ่งสมาธินั่นยิ่งมีรสเกิดขึ้นมากมายหลายประการแต่ทีนี้ผู้ที่ไม่ค่อยจะเข้าใจก็เลยไปเข้าใจว่าทาสมาธิไม่ได้ซะแล้วทาสมาธิไม่เป็นซะแล้วอย่าไปวิตกกังวลอย่างนั้นเลยสมาธินั้น เราเริ่มต้นก็ได้แล้วคือถ้าหากว่าเราไม่มีจิตคิดทำสมาธิเราก็นั่งไม่ได้เพราะเราคิดทำสมาธินั่นแหละจิตมันมุ่งคือจิตมันมุ่งต่อความเป็นสมาธิจิตมันก็เป็นสมาธิแล้วอย่างคนที่ขับรถอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิมันได้หัดสมาธิเมื่อไรมันก็ไม่ได้หัด ในเวลาที่มันขับรถไปบางทีมันก็ฝันหวานไปตามเรื่องของมันแต่จิตมันก็เป็นสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิรถมันก็พลิกคว่าไปแล้วออกนอกหนทางไปแล้วแต่จิตมันก็เป็นสมาธิถือพวงมาลัยแล้วมันก็วิ่งไปในขณะเดียวกันความนึกความคิดของมันก็ไม่ได้หยุดมันก็นึกอะไรของมันไปตามเรื่อง แต่จิตของมันก็เป็นสมาธิขับรถไปได้ถึงจุดที่หมายปลายทางกว่าจะถึงจุดที่หมายปลายทางมันก็คิดอะไรร้อยแปดพันประการไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกพุทโธหรือเราไม่นึกพุทโธจิตนั้นมันก็จะต้องเป็นสมาธิอยู่นั่นแหละในเมื่อเราทำมันลงไปแล้วจิต มันก็เป็นสมาธิอยู่นั่นเองะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เราก็จะต้องมีแต่ความสงสัยสงสัยอย่างนั้นสงสัยอย่างนี้อยากจะถามคนนั้นอยากจะถามคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดซึ่งมันก็ไม่มีความจำเป็นเมื่อเรารู้จักวิธีแล้วเราก็ทาตามวิธีนั้นไปก็เป็นการใช้ได้ถูกต้อง เราจะไปคิดตัดสงสัยนั้นเราตัดไม่ได้ในเมื่อบุคคลผู้นั้นยังทำสมาธิยังเป็นสมาธิธรรมดาธรรมดาอยู่เขาจะตัดสงสัยไม่ได้เลยเพราะเขายังไม่สามารถที่จะรู้แจ้งและเห็นจริงการที่เด็กๆต่างๆพากันเรียนหนังสือนั้นในขั้นตน้น มันก็เขียนไม่ถูกไม่ใช่ว่าไปเรียนเป็นนักเรียนแล้วก็เขียนได้เลยจำเป็นต้องจับปากกาจับดินสอฉีดกอไก่หัวลงกอไก่หัวขึ้นขอไข่หัวลงขอไข่หัวขึ้นตัวหนังสือเบนไปตัวหนังสือกลับหลังกะสารพัดแต่ที่สุดถึงที่สุดเมื่อมันอ่านออกแล้ว เรียกว่าปีล่วงไปอ่านออกเขียนได้แล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องมีความสงสัยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ใครมาจับมือเขียนมันก็เขียนได้เขียนกอได้ขอได้เขียนอะไรต่ออะไรเขียนได้เขียนได้หมดอ่านได้หมดแล้วความโง่มันหายไปไหนซะความสงสัยมันหายไปไหนซะ หลับตาเขียนยังได้เลยอย่างนี้ความโง่มันหายไปไหนความโง่มันก็หายไปแล้วอ่ะแล้วก็ความรู้มันก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้เกิดขึ้นเวลาเขียนก็ไม่ต้องสงสัยว่ามันจะใช่ก่อไหมขอไหมมันก็หมดความสงสัยชั้นใดก็ดีการทําสมาธิเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน ขั้นแรกก็ทำไปเถอะนั่งไปเถอะทำไปเถอะมันก็มีจุดที่จะสอบไล่ได้อยู่ตรงหนึ่งเมื่อไปถึงจุดสอบไล่ได้ตรงนั้นก็หมายความว่าเราสบายแล้วสบายแล้วก็คือว่าเรารู้แล้วนั่นเองเรารู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะกลับเป็นคนไม่รู้อีกก็ไม่ได้เพราะเรารู้แล้ว เราจะกลับไปเขียนผิดอีกย่อมไม่ได้เราก็ต้องเขียนถูกตะบันไปเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนั้นอยู่ที่ความพยายามที่จะเพื่อทำไปเท่านั้นมีหน้าที่ที่จะทำก็ทำไปจิตเมื่อเลื่อนลำดับขึ้นนั้นก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเป็นอัตโนมัติคือเลื่อนขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อทำไปมากๆเข้าจิตนี้มันจะมีความเข้มแข็งส่งไปเป็นพลังของจิตเพิ่อขึ้นตามลาดับเมื่อจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากทนิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิจนกระทั่งไปถึงอัปปนาสมาธิมันก็จะต้องเรื่อนขึ้นด้วยความสามารถในตัวมันเอง ความสามารถที่เกิดขึ้นในตัวมันเองนั้นมันเป็นอย่างไรคือคนเรานี่ในเมื่อทาสมาธิไปแล้วนี่ปัญญามันเกิดขึ้นความเข้าใจต่างๆมันเกิดขึ้นความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อตนทำลงไปเหมือนกันกับเราไปทำนาอย่างนี้แต่ก่อนมันก็ดำไม่เป็น ทีหลังทำไมมันถึงดำเป็นดำนาเมื่อดำเป็นแล้วก็ก็จะต้องรู้จักวิธีว่าจะต้องดำอย่างนั้นต้องดำอย่างนี้มันถึงจะเป็นเหมือนกับคนขับรถอย่างนี้แต่แรกไม่เป็นพทีหลังเป็นแล้วมันก็ไม่เห็นยากอะไรเมื่อมาพิจารณาถึงการทำสมาธิที่ตนของตนจะต้องรู้เรื่องของตนของตนนั้น ก็คือว่าประสบพการประสพการที่เกิดขึ้นในสมาธิแต่ละครั้งๆนั่นแหละเป็นเรื่องของการเป็นสติเป็นปัญญาให้แก่ตัวของเราเมื่อตัวของเราทำเข้าไปมันเกิดสติปัญญาแก้ไขตัวเองนี่ตมาเคยถามครูบาอาจารย์ท่านก็ดูเอา บอกว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะมาถามคนอื่นทำไมไอ้เราก็อยากจะถามว่าอันมันเป็นอย่างนี้แล้วอาจารย์จะว่ายังไงอาจารย์ก็หัวเราะยิ้มยิ้มมาภายหลังพิจารณาดูแล้วว่าทาไมอาจารย์ถึงไม่บอกเมื่อเราถามทําไมอาจารย์ถึงไม่แก้ไขในเมื่อเรามีความสงสัยเกิดขึ้นอันนี้ ท่านอาจารย์ท่านเคยพูดบอกว่าตัวของเราเองนั่นแหละจะเป็นอาจารย์ตัวเราเองเมื่อเราเป็นอาจารย์ตัวเราเองเราก็เป็นอาจารย์คนอื่นได้นี่ก็หมายความถึงว่าการที่เราไปมีประสบพการในการกระทำเมื่อเราทำลงไปแล้วประสบพการอันนั้นแหละที่ได้สอนตัวของเรา ถ้าเราให้อาจารย์สอนอยู่ตบันนังนั้นมันก็เลยคิดว่าความคิดอันที่เป็นส่วนตนก็ไม่มีก็จำเป็นที่จะต้องเป็นลูกน้องเขาตลอดไปไม่เป็นนายเขาสักทีคนที่จะเป็นนายเขาได้นั้นคนนั้นมีประสบการณ์รู้จักกิจการหน้าที่ของตนที่ทำลงไป แล้วแก้ไขเหตุการณ์ได้ตนเองในที่สุดบุคคลผู้นั้นก็กลายเป็นบุคคลที่มีความสําคัญคือเข้าใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านจึงไม่แก้ไขทุกๆุกอย่างล่อยให้เราดิ้นรนแก้ไขตนเองสมาธิที่เราดิ้นรนแก้ไขตนเองนั้น เป็นสมาธิที่มีความมั่นคงยิ่งนักคือตัวของเราเองเป็นอาจารย์ตัวเราเองก็เมื่อจิตมันไม่รวมเราก็ทำให้มันรวมเมื่อจิตไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบมันไม่สงบอุบายะวิธีแก้ไขก็แก้ไขไปในที่สุดตนของตนก็แก้ไขจนสงบเข้าไปได้อย่างนี้แหละเรียกว่าประสบการณ์ เมื่อเราได้ประสบพิการมากเข้ามากเข้าการทำสมาธิก้าวหน้าต่อไปมากเข้ามากเข้าจิตนี้เป็นสมาธิเข้าขัน้นเข้าขั้นก็คือว่าเมื่อต้องการจะให้จิตนี้สงบเมื่อไรฉันก็กำหนดได้โดยที่ฉันไม่ต้องนึกพุทโธก็ได้กำหนดจิตลงไปเกิดความสบายทันทีก็ได้ นั่นเรียกว่าเกิดความํำนานขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องไปพูดคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั่นมันเป็นการสมมุติส่วนหนึ่งแต่ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเราจิตของเราแน่วแน่เราอยากจะเข้าจิตเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างนั้นก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปสมมุติอะไรให้มันยาก เมื่อถึงเวลาสมาธิพอขัดตามาธิพักจิตก็ลงปุ๊บ ก, ก็ใช้ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดความชํานาญหรือเรียกว่าเป็นสมาธิเข้าขันจิตที่เป็นสมาธิเข้าขันนั้นเราจะต้องมีการทดสอบเราจะทดสอบด้วยตนเองนั้นเมื่อไหรก่ก็ได้เราทดสอบจิตของเราว่าจิตของเรา อยู่ในขั้นที่มีกระแสะจิตแล้วหรื อ, อยังถ้ามีกระแสะจิตแล้วเราหลับตาก็มองเห็นถ้าไม่มีกระแสะจิตแล้วหลับตามันก็ทนนั้นกระแสะจิตนั่นก็คือกระแสะธรรมกระแสะจิตนั้นก็คือกระแสะทางเรียกว่ากระแสะกระแสะที่ได้รับจากพลังของจิต ก็เหมือนกันกับพลังไฟฟ้าพลังแสงพระอาทิตย์ที่มันบังเกิดขึ้นมีแสงสว่างออกไปอย่างนี้ถ้าไม่มีกำลังมีพลังแสงเหล่านั้นก็ออกมาไม่ได้เมื่อจิตของเราเกิดแสงเกิดพลังขึ้นมานั่นแหละเราก็จะรู้ได้ว่าจิตของเรานี้มีกระแสจิตแล้ว เราหลับตาทดสอบดูอะไรก็ได้จะพิจารณาดูกระโหลกศีรษะก็ได้จะพิจารณาดูซี่โครงกระดูกก็ได้จะพิจารณาดูหมดทั้งตัวว่ามันตายไปก็ได้ตัวเราก็ได้ตัวคนอื่นก็ได้หรือเราจะมองดูกระดูกที่ถูกเผาไฟแล้วทั้งหมดมองดูก็ได้ ถ้าเรามองไปมันไม่เห็นก็ถือว่าจิตนั้นยังไม่มีกระแสจิตคำที่ว่าเห็นนั้นมันชัดแจ้งมันไม่เหมือนกันกับเราลืมตามองเพราะเราลืมตามองอย่างนี้อันนี้มันเป็นตาหนังคือมันเป็นตาที่เรีย ก, กว่าตาสมมติมองดูกระดูกก็อย่างนั้น มองดูเนื้อหนังก็ยังงั้นมันเป็นเพียงสื่อสัมพันธ์เท่านั้นสำหรับตานอกที่เรียกว่าดวงตาของเราเนี่ยแต่ส่วนกระแสจิตหรือเรียกว่าดวงตาในนั้นเรางองชัดลงไปด้วยสามารถแห่งปฏิภาคคณิมิตปฏิภาคคณิมิตนั้น เป็นนิมิต ท, ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เราสร้างขึ้นมาเป็นกระบกศีรษะเราสร้างขึ้นมาเป็นโครงกระดูกนี่เราสร้างขึ้นได้ถ้าถึงกับสร้างขึ้นมาได้เช่นนั้นแล้วเรียกว่าปฏิภาคทนิมิตผู้นั้นมีจิตสูงจริงๆมีกำลังจิตสูงจริงๆอันนี้บอกเอาไว้ เผื่อใครทำได้คนนั้นก็จะได้ทำให้ก้าวหน้าต่อไปเผื่อว่าใครทำยังไม่ได้ก็ให้รู้ไว้ว่ากระแสจิตนั้นก็เป็นเกิดขึ้นจากพลังผลจิตและเป็นกระแสจิตที่เรียกว่าเป็นดวงตาทิศดวงตาทิ์อันนี้เป็นดวงตาทิศที่มี ประสิทธิภาพประสิทธิภาพดวงตาทิศนั้นมองดูเห็นชัดสำหรับผู้ที่มีสมาธิแก่กล้าเห็นป่านดังนี้ก็มีในพวกฤาษีต่างๆพวกฤาษีเขาทำเพื่อฤทธิดเดชพวกฤาษีเขาทำเพื่อจะเป็นการแสดงอิทธิปาฏิหาร พวกฤาษีเขาทำเพื่อให้มันพิเศษพิเศษไปอย่างนั้นมันเป็นจุดประสงค์ของพวกฤาษีแต่จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนานั้นไม่เหมือนกันกันกบจุดประสงค์ของฤาษีจุดประสงค์ต้องการกําจัดกิเลสให้ซึ่งไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแต่ว่า เมื่อพวกฤาษีเหล่านั้นต้องการอยากจะทํากิเลสให้หมดฤาษีก็ทําได้ง่ายไม่เหมือนเราเพราะว่าครบเครื่องมือครบแล้วพร้อมที่จะทําลายได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นพวกฤาษีประมาณห้าร้อยตนออกจากป่าหิ ม, มพานต์ออกจากป่าหิ ม, มพานต์มาแล้ว ก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งในใต้ในต้นไม้นั้นมีเทมีประสาทเทวดาอยู่ข้างบนหรือสีจึงอยากจะฉันน้ำถามว่าเทวดามีไ้มถ้ามีเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยเทวดาก็แสดงฤทธ์เอาน้ำมาให้พวกหรือสีเหล่านั้นฉันกัน เอเวลานี้อยากจะฉันอาหารรสอร่อยๆหน่อยเทวดามีจริงก็เอาอาหารมาดูในที่สุดเทวดาก็เนรมิตอาหารให้ก็รู้ได้ว่ามีเทวดาเอ๊อยากจะเห็นตัวเทวดาจะทำยังไงเทวดาก็ปรากฏตัวมาให้เห็นแล้วจึงถามว่าทำไมท่านจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาอยู่นี่ ก็ได้รับคำตอบว่าเทวดาตนนี้เป็นลูกน้องของอนนทะบินธิกเศรษฐีเธอได้รักษาอุโบสถกึนหนึ่งคือหมายความว่ารักษาอุโบสถตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึงแจ้งก็ได้ครึ่งหนึ่งแต่แม่แต่พอค่อนจะแจ้งแกก็เลยเป็นลมตายก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาอยู่นี่ เลือสีได้ยินคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงเกดขกินแล้วก็อยากจะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าจึงได้ลาเทวดาแล้วก็พากันเหาะจากสถานที่นั้นไปยังวัดพระเชตวันเมื่อเหาะไปถึงวัดเชตวันแล้วก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแนะวิปัสนาให้นิดเดียวเท่านั้นว่าให้พิจารณาไตรลักคือให้พิจารณาอานาตาไม่ใช่ตัวตนอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นรูปพิจารณาเพียงเท่านั้นชั่ววงเดียวเลือสีทั้งห้าร้อยตนก็ได้สดําเร็จเป็นพระอระหันต์ตัดกิเลสไปได้ เลือสีเหล่านั้นแต่ก่อนทำไมถึงไม่สำเร็จก็เพราะว่าไม่รู้จักวิปัสสนาจึงไม่เกิดความสำเร็จขึ้นแต่ทำไมเลือสีจึงเหาะได้ก็เพราะเาะลือสีมีฌานแต่เรียกว่าเป็นโลกียฌานแล้วทำไมเลือสีเหล่านั้นจึงแสดงฤทธิ์ได้จนกระทั่งเศรษฐีต่างๆพากันเลื่อมใส พ็ควะาว่าฤาษีเหล่านั้นได้บำเพ็ญฌานสำเร็จแล้วแต่ฌานสำเร็จเหล่านั้นไม่ใช่ว่ากิเลส จ, จะหมดไปด้วยเพราะพวกฌานต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะกาจัดกิเลสได้ไม่เหมือนกันกันกบวิปัสสนาเพราะฉะนั้นฤาษีทั้งห้าร้อยตนนั้นเมื่อไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงถึงไตรลักษ เลือสีทั้งห้ารอยที่ได้สาเร็จนั้นก็เพราะพลังจิตมีพร้อมแล้วเหต น, นี้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พากาันบาเพ็ญสมาธิจึงไม่เห็นต้องวิตกกัวงวลอะไรในเมื่อเราสร้างสมาธิให้มากๆถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้วผล ม, มันจะปรากฏขึ้นได้ฟังธรรมของท่านผู้รู้ผลก็จะปรากฏขึ้นพลัน เพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราจะทาจิตของเราให้พ้นจากกิเลสนั้นจึงมมีอยู่ที่วิปัสสนาแห่งเดียวเท่านั้นดังคนที่พากันไปทำสมาธิคิดว่าจะต้องเอาอย่างนั้นจะต้องเอาอย่างนี้ไปเดี๋ยวก็อย่างนั้นบ้างไปเดี๋ยวไปอย่างนี้บ้างูชุบระบุกันไปหมดอันนั้นไม่ค่อยได้ผล เมื่อเราจะจับสมาธิอย่างไดก็จับอย่างนั้นจับให้มัน่นคั้นให้ตายคือหมายความว่าจับอย่างไดก็จับไปตลอดอันนั้นได้ผลถ้าบางครูบางอาจารย์อาจจะแนะให้ทำํำ ด, ดิเดตดิตาศสตานุภาพมองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นอะไรต่างๆสารพัดไปก็อาจทําได้ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่วิปัสนาเป็นเพียงแต่สมถะเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธินี่จึงเป็นเรื่องอยู่มีอยู่อย่างเดียวคือความพยายามให้กระทําไปแล้วก็จัดสรรหาอุบายต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องสอนตนอุบายต่างๆที่จะมาเป็นเครื่องสอนตนนั้น เราก็ให้รู้คือให้รู้รู้อยู่ที่ตัวของเราเรานั่งสมาธิไปแต่ละครั้งทำไมจิตมันจึงรวมทำไมจิตมันจึงสงบเราก็ต้องใคร่ครวนพิจารณาอย่างที่ในคำพีวิสุธทธิมัตท่านแสดงว่าถ้าจิตรวมลงไปแล้ว น, ะนันเป็นเวลาใด จิตรวมไปแล้วนั่นเราหันหน้าไปทางไหนจิตรวมแล้วนั่นเรารับประทานอาหารคืออะไรท่านให้จําไว้หมดเลยจําว่าเวลาบ่ายสามโมงจำว่าฮะเวลาเช้านั่นทานอาหารกับปลาหรือว่าเวลา เ, เรานั่งสมาธินั่นเราได้กําหนดจิตอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อ ที่เราจะต้องไไรตควรสอนตอนเองพเวลาจิตมันรวมลงไปนี่ลักษณะของการที่เรากําหนดจิตให้รวมนี่เราทําอย่างไรเราต้องจําได้เวลาที่จิตมันถอนออกมาเพราะเหตุใดจิตจึงถอนอย่างนี้เราก็จะต้องกําหนดจดจําเอาได้นี่คือวิธีการที่เราจะเป็นอาจารย์ของตัวเราเอง การเป็นอาจารย์ของตัวเราเองนั้นท่านหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้เท่มีความเข้าใจศรัทธามีปัญญาเมื่อมีศรัทธามีปัญญาแล้วมันจะเดินไปหาจุดใดจุดหนึ่งในตัวของมันเองเ็นกระทั่งได้ประสบพบเห็นซึ่ง สมถะเต็มที่วิปัสนาเต็นที่สมถะเต็นที่วิปัสนาเต็นที่อันนั้นเราค่อยศึกษาและเราก็พยายามฟังและศึกษาเอาไว้เรื่องของการบำเพ็ญพาวิโตคือการเจริญให้มากพระภูระกโตการกระทำให้มากอภิน ญ, ญายะ จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธา ย, ยะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานา ย, ยะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอันนี้เป็นบั้นปลายบั้นปลายนั่นคือความบริสุทธิบริสุทธินั้นมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันจิตตะวิสุทธิกังขาวิตรณะที่ ยานวิสุทธิยานะทัศนะวิสุทธิธปฏิปทายานะทัศนวิสุทธิเริ่มต้นด้วยศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของสิ่งความบริสุทธิ์ของสิ่ของบุคคลผู้ที่บำเพ็ญสมาธินั้นเป็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเอง โดยไม่ต้องไปขอสินจากพระจะฆ่าสัตว์ก็ไม่กลา้าจะขโมยของเขาก็ไม่กลา้าจะประพฤติผิดกาณาสุมิตรฉาจานก็ไม่กลา้าจะโกหกหลอกลวงคนอื่นก็ไม่กลา้าจะกินเหล้าเมาสุราเสพยาเสพติดก็ไม่กลา้าเพราะอะไรจึงไม่กลา้าเพราะตัวเราบริสุทธิ์ นี่ถึงเรียกว่าศีลวิสุทธิบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยตนของตนเองการบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยตนของตนเองนั้นย่อมถือได้ว่าเกิดขึ้นมาจากยิริความละอายแก่บาปโอตระความเปงเกลื่อต่อบาปคือหมายความถึงผู้นั้นมีจิตถึงเรียกว่าจิตถึง ถ้าจิตไม่ถึงนั้นทําไม่ได้แต่จิตถึงทําได้คนนั้นมีความบริสุทธิ์จริงๆไม่ต้องไปให้ใครยกย่องสรรเสริญหรือไม่ต้องให้ใครไปบัญญัติว่าชั้นเอฟบูพูดนั่นดีแล้วเวเศแลประเสริฐแล้วแต่ไม่ต้องมีใครบัญญัติเขาก็ประเสริฐขึ้นเองด้วยเหตุไม่กล้ากระทำบาปเลยกลายเป็นศีลวิสุทธิ จากนั้นก็เป็นจิตตวิสุธิคือจิตบริสุทธิ์นอกเหนือจากที่ว่าเราไม่ฆ่าเขาแล้วหรือกินเหล้าเมาสุราแล้วแต่คิดอยากจะไปกินก็ยังไม่คิดไม่คิดคิดไม่ได้คือมันไม่อยากคิดคิดมีแต่คิดจะเมตตาคนอื่นเท่านั้นอย่างนี้เ็าเรียวกว่าจิตตะวิสุธิจิตอันนี้มันเกิดความบริสุทธิ์ขึ้น เพราะอะไรเพราะสมาธินี้ได้ขัดเกลาจิตนี้ขัดเกลวไปทีละแลกขัดเกลวไปทีละน้อยในที่สุดจิตมันก็ปลอดใสสะอาดไม่อยากทําบาปด้วยประการทั้งปวงถ้าจะทําบาปก็เอาคอตัวเองนี่ไปให้เขาหันจะดีกว่าที่จะเราจะไปทําบาปมันจิตมันบริสุทธิ์ขนาดนั้นจึงเรียกว่าจิตตวิสุทธิ จิตมันบริสุทธิ์ขึ้นมาเองอย่างนี้จะไปหาได้ที่ไหนก็าหาได้จากผู้ทำสมาธิขัดขัดเราจิตใจนี่เองแหละเราก็จะเห็นตัวของเราว่าเราเป็นเช่นนั้นไหมถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจิตมันบริสุทธิ์ซะแล้วล่ะถือว่าเราเอิ้อินใจได้กังขาวิตรณัวิสุทธิ์นั่นเป็นอีกข้อหนึ่งของ ความบริสุทธิ์แปลว่าไม่สงสัยจิตอันนี้จะหมดความสงสัยด้วยประการทางปวงไม่สงสัยเลยว่าคนที่เราทำนี่จิตที่เราทําที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้มันถูกหรือมันผิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันผิดไปแล้วในจิตไม่มีแม้แต่สักเท่าไยบวัวข้อนี้สาคัญ เราเนี้ได้หายความสงสัยเสียแล้วการทำสมาธิที่เราทำอยู่นี่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีผิดถ้าเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่ากาัรขาวิตรนะวิสุทธิมีตัดความสงสัยบริสุทธิ์ด้วยความไม่มีความสงสัยญาณวิสุทธิก็คือผู้ที่มีญาณมองเห็น ญาณ น, นั่นหมายถึงความรู้จิตฉันสงบฉันรู้จิตฉันตั้งอยู่ฉันรู้อย่างนี้ก็เรียกว่ายาณนะคือรู้ว่าไอ้ไปทำบาปหรือไปฆ่าไปกระทาสิ่งที่เป็นบาปนั่นนะรู้เรียกว่ารู้จริงไม่ใช่ว่ารู้แล้วไปทำรู้แล้วไปทำน่นเรียกว่ารู้ไม่จริงก็เรียกว่ายาณนะมีสุทธิ ยานะทัศนวิสุทธิทั้งรู้และทั้งเห็นด้วยเห็นด้วยว่าการที่ไปกระทำบาปฆ่าสัตว์หรือว่าขโมยของคนอื่นอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นบาปแต่คนที่ทำนะ่ะมันเห็นว่าไม่ใช่บาปไม่บริสุทธิ์แต่พูดที่ไม่ทำด้วยเห็นด้วยว่าเป็นบาปอย่างนี้ เรียกว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทั้งความรู้และทั้งความเห็นปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิสุดท้ายเมื่อมีความรู้และความเห็นว่าเป็นบาปเช่นนั้นงดเว้นโดยประการทั้งปวงไม่ทำด้วยประการทั้งปวงทำแต่สุจริตอย่างเดียวเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ เขาเรียกว่าวิสุทธิเจ็ดประการผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่ก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยวิสุทธิเจ็ดประการนี้เมื่อวิสุทธิเจ็ดประการนี้บริสุทธิ์ประบังเกิดขึ้นมีแก่บุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะต้องเดินไปในทางที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมา สัมมาเรียกว่ามัคคือสัมมามัคหนทางที่ถูกต้องบุคคลผู้นั้นไม่ตกนรกบุคคลผู้นั้นไม่ไปอาบายบุคคลผู้นั้นมีแต่สุขติเป็นที่ไปบุคคลผู้นั้นต่อไปอีกไม่กี่ชาติก็จะต้องบรรลุธรรมเป็นแน่แท้นั่นคือความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสมาธิ ต่อไปสมาธิกันอีกต่อไปสักครับ